ก็จะต้องมารวมใจหยุดนิ่งๆกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะในแง่งของการปฏิบัติจริงๆนั่นแหละก็ทำเพียงแค่ทำความรู้สึกประจัยเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางทองเพราะเรารู้จัก ฐานที่เจ็แล้วว่าอยู่ตรงนี้แต่ทำความรู้สึกว่าอยู่ในกลางท้องแม้จะไม่ตรงกับฐานที่เจ็ดพอดีเลยก็ตามอาจจะลื่มซ้ายลื่อมขวาหน้าหลังล่างบนบ้างก็ไม่เป็นไรเอาว่าเอาใจเนี่ยว่าทำความรู้สึกอยู่ในกลางท้องแล้วก็กำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจ เพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราบริกรรมนิมิตจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจให้มันหยุดมันนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพื่อให้ใจหลุดพ้นจากความคิดไปในเรื่องราวต่างๆที่แว บ, บไปแว บ, บมานั้นเพราะฉะนั้นจึงจมเป็นต้องมีบริกรรมนิมิตกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาเนี่ย เป็นเครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมรอบตัวกลายโดงแก้วกัญชีชนะขนาดกันแล้วแต่ใจเราชอบอยู่ที่กลางทองของเรานะจ๊ะในตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ด กำหดบริกรรมนิมิตก็คือการสร้างภาพทางใจได้วิธีง่ายๆสบายๆนึกธรรมดาๆคล้ายๆกัเรานึกถึงสิ่งที่เรารักเราคุ้นเคยที่เราเห็นอยน่เจนตาจำได้ติดตาติ่ใจนั่นแหละมาเป็นบริกรรมนิมิต ถึงเพชรสักเม็ดหนึง่งโตแค่ไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวไม่ใช่เจอร์เนาไปเหเีรีมกลมใสใสใ ส, สเหมือนกับเพชรนั่นแหละสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเทียงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์นึกอย่างธรรมดาง่ายๆแล้ไปสบาย ลายเรานึกถึงดอกบัวดอกกลาบหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกธรรมดาไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรชัดเจนไม่มากก็ไม่เป็นไรชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปกอดเพราะวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจเนี่ยม า, ค, าคลากลีลอยู่ เแถวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่เปน็นนานๆครับเดี๋ยวมันหยุดเองแล้วก็ประคองใจด้วยิกรรมภาวนาภาวนาในใจโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง สัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาโดยไม่ต้องใช้กำลังคล้ายเป็นเสียงสำนึกลึกๆ ล, ล, ล, ละเอียดละเอียดคลายบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยดังขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้กำลังในการท่อง เป็นเสียงที่ลอียเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์ที่มีพลังแห่งความบริสุทธิ์ไม่มีที่สิ้นสุดมาขจัดหมดละทินของใจเราให้มันหมดสิ้นไปสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารัง ภาวนา เ, าเรื่อยไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่ออยากหยุดใจนิ่งไว้เฉยๆถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องมาภาวนาต่อเพราะคำภาวนาจะใช้ทาเมื่อใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราต้างประคองใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวที่สวนกลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าว นึกถึงบริกรรมนิมิตไปด้วยภาวนาไปด้วยล้าใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระแก้วขาวใสเราจะนึกถึงพระแก้วขาวใสแหนดวงใสๆก็ได้โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเพื่อใจหยุดใจนิ่งๆหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งเป็นต้นทางที่ จะไปสู่อายตนะนิพพานเรียบประคองใจกันไปอย่างเนี้ยภาวนาไปเลยสบายๆแต่อยากกดลูกในตาไปดูถ้าแล้วรู้สึกว่าหัวคิ้วจะย่นตึงหนาปากศีษะก็ให้ริภเยอเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งปลื อ, ล อ, ลอตาแล้วก็รักษา เลิกตาในระดับนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆส่วนมากมักจะมีอุปสรรคอยู่สองประการเป็นหลักๆคือฟุ้งกับตั้งใจเกินไปอันนี้จะเป็นหลักมากกว่าการหลับหรือความสงสัยอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะเราวาจัยเราคุ้นเคยกับการคิดคิดในสิ่งที่เราคุ้น คุ้นจนเคยเคยจนชินเพราะนั่นใจมักจะไปสู่สิ่งนั้นเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องบริกรรมภาวนาสัมมาอรังเรื่อยไปหรือพอเยอะเปลือกตาขึ้นมาสักนิดหนึ่งแต่พอเราหายฟุ้งเราก็เริ่มต้นใหม่หรือตั้งใจเกินไป คือพอเร้ว่าเออเห็นธรรมะแล้วดีมีความสุขเป็นอุปกรณ์ในการศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิตได้ยินคนนั้นคนนี้เขาเข้าถึงกันเลยอยากเข้าถึงบ้างแต่อยากมากเกินไปตั้งใจเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการกละเงตึงแกล้งสังเกตเออ มันจะสะภาพใจมันจะทึบตื้อนิ่งๆแต่ไม่ฟุง้งแต่ก็ไม่มีความสุขมันตื้อๆตันๆนิ้วที่เราวางไว้บนหน้าตักมันจะกระดกไหล่จะยกท้องจะเกร็งแล้วก็มันจะท้อใจเพราะเบื่อต้องพยายามนั่งนิ่งเพื่อจะให้ได้สมาธิ อย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะแต่ถ้าเรานั่งนิ่งนุ่มเบาและเกิดความสบายแม้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์ใจยังคงรักษาใจนิ่งๆิ่งนุนม่นมนุมอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าเวลามันหมดมันผ่านไปเร็วเหลือเกิน และมีบางส่วนของร่างกายเรามันหายไปเมื่อหายขาหายตัวหายเป็นต้นนั่นกบแปลว่าเรานั่งได้ถูกหลักวิชาแล้วถูกต้องแล้วพอถึงตอนนั้นก็ให้นิ่งเฉยๆต่อไปจะลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไร บางครั้งก็ตัวยืดบางหย่อนบางใหญ่บางพองขยายบังล่นไม่มั่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันตกจากที่สูงก็จะลืมตาอยากขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรบางทีนั่งไปก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นเป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างเป็นภาพอะไรอย่างที่เราคุ้นเคยบ้าง แต่ว่ามันจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็อย่าไปราคาญใจให้ดูไปเฉ ย, ยๆนะเดี๋ยวภาพระนั้นก็จะเปลี่ยนไปเองภาพสุดท้ายเมื่อใจหยุดนิ่งในเบื้องต้นก็จะเป็นดวงใสๆอย่างและก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ ยียากขนาพระทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นเป็นต้นแล้วละใจหยุดแล้วภาพสุดท้ายในเบื้องต้นหัว่ใจหยุดแรกมันจะเกิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นภาพอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาดังกล่าวนั้นให้ดูไปชียเจจะภาพน่ารักน่าเกลียดน่าชัง ไม่อยากได้ก็ อ, อย่าไปยินดียินร้ายภาพสวยสดงดงามก็ อ, อย่าไปยินดีภาพที่ดูไม่งามก็ อ, อย่าไปยินล้ายอย่าไปตก อ, อกตกใจอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีมารมามีอะไรต่างๆมาทดลองเราหรือภาพกรรมภาพเวณอะไรต่างๆอย่าไปคิดคือใจตอนช่วงนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆ ไม่ว่าภาพที่น่าดูหรือไม่น่าดูน่าดูก็ไม่ยินดีภาพไม่น่าดูก็ไม่ยินลายคือเฉยเฉยอําใจนิ่ง้เฉยทําหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีที่ไม่กํากับเหมือนผู้ที่เจนโลกนี้ เ, เห็นการเกิดขึ้นแต่งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย ตลาดระยะ ก, กาลเวลาที่ผ่านมาได้ใจจะเป็นปกติแล้วก็ทำใจให้มันเป็นปกติไม่เห็นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเป็นปกติเห็นแล้วแต่บรนาพากลัภาพกว่าที่เราอยากได้ก็ยังคงเป็นปกติเป็นภาพที่ดีส ว, สวยงงงาบรรพ์แต่พระบุตรเทพทิดาก็จะไปเข้าใจพี่ ด, ดเราไปสวรรค์แล้ว ก็ดูไปเฉยๆก็อย่าไปยินดีอะไรแม่เป็นภาพอะไรที่ใกล้เคียงดวงทำลงปลาก็เฉยๆเป็นภาพที่ไม่ดีดูแล้วหน้าเกลียดไม่น่าดูก็ดูเฉยๆเหมือนกันอย่าไปยินอะไรนะทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละลูกทุ้คนอกิจกรรมความสาเร็จที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว การมีภาพเกิดขึ้นภายในใจไม่ว่าเป็นภาพน่ารักน่าชังแปลว่าเรามีสมาธิมาในระดับหนึ่งแล้วถ้าจิตบริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่สวยงามถ้าบางส่วนของจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็จะเป็นภาพที่ไม่สวยงามแต่มันก็เป็นเหมือน ก็จบเงาส่องสะท้อนในเราเห็นว่าใจเราบริสุทธิ์ย่างไหนเรามีหน้าที่หยุดกับนิ่งดูไปเฉยๆอย่างนี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวภาพที่น่ารักน่าชังเหล่านั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นภาพที่สดใสสว่างสวัยที่จะนำใจให้ตั้งมัน่น เป็นหนึ่งเป็นเอกคตามีอารมณ์ดีอารมณ์เดียวแล้วก็อารมณ์สบายสงัดจากรามจากบาปอากุศลธรรมและความเห็นถูกจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเองเพราะนั้นภาพสุดท้ายมันก็จะเป็นดวงใสในจุดเบื้องต้นของหยุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของหยุดในหยุด หยุดสองหยุดสามยุดสี่หยุดอ้ากระทั่งนับหยุดไม่ทวนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นไปตามลำดับนี่คือสิ่งที่โลกทุกคนจะต้องศึกษาเรียนรู้เอาไว้ดีพืที่เราจะได้นั่งเวลานั่งตาลลำพังจะได้มั่นใจไม่กลัวบ้าอย่างที่เขาเท่าลือกันไม่กลัวที่จะเห็นในสิ่งที่น่ากลัวไม่กลัวที่า เขาบอกว่านั่งแล้วจะตายไปแล้วไม่กลับหรืออะไรยิ่งกว่านั้นเราจะได้มั่นใจเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาเรียนรู้เอาไว้เหมือนหมองูที่จะจับงูเหา่างูจงอางก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติของงูพิษอสรพิษนั้นซึ่งไอ้ใครในโลกก็กลัวแต่หมองูรู้วิธีเขาก็ไม่กลัวเขาจะจับงูนั้นได้ อาศรมิทนั่นได้อย่างสบายๆระรู้วิธีการนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าลูกทุกคนรู้วิธีการอย่างนี้แล้วความรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิดโทษนั้นมันก็จะหมดไปตรงข้ามสมาธินี่นแหละจะทําให้เกิดคุณประโยชน์กับเราเพราะจะเป็นจุดเชื่อมโยงใจของเรากับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ให้กิดถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งวาระฐานแหล่งกำเนิดแห่งความคิดคำพูดและการกระทาที่ดีนำมาซึ่งความสุขและความสาเร็จในชีวิตและในธุรกิจการงานกับการสร้างบา ร, รมีของเราโลกจะสันที่สุขได้ต้องเริ่มต้นอย่างที่เราก่อนชีวิตในครอบครัวจะเกิดความหาสุขไม่ขัดแย้งกันก็เริ่มต้นที่หยุด แรกของใจเราก่อนแล้วจึงจะขยายไปสู่สมาชิภายในบ้านคุ้นบ้านหมู่บ้านตำบลนอนำเภอจังหวัดประเทศประเทศเพื่อนบ้านนา น, นาชาติแล้วก็ตัวโลกทุกสิ่งดังกล่าวที่ดีนั้นเริ่มต้นจากเราทั้งสิ้นเริ่มต้นจากหยุดแรกที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทั้งสิ้น ซึ่งเราไม่เคยได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาก่อนนี่เรละเป็นสิ่งที่สำคัญประหยัดสุดประโยชน์สูงในการสร้างสันติสุขหรือสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ให้ฝึกหยุดใจนิ่งๆดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องตน้นตอนนี้ให้รู้ทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ